บัรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงกุลของพระธรรมข้อต่อไปนั้นคือสันทิฏโกที่แปลว่าอันผู้มันลุจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองผลอย่างสูงสุดของพระธรรม คืออยู่ที่ปฏิเวศได้แก่การสามารถดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้เมื่อท่านผู้ปฏิบัติถึงจุดนั้นก็จะเกิดยานความรู้ที่ประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของท่านด้วยตนเองซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายกันได้ในบางกรณีอย่างที่ท่านแสดงความเปลี่ยนแปลงทางจิตของพระรีเจ้าผู้ปฏิบัติ สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาโดยลำดับจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมัปปัญญาคือปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงในสังขารทั้งหลายปล่อยวางความยึดถือในนามรูปซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือขันธ์ทั้งห้าประการและเมื่อเกิดญาณปัญญาขึ้นมาเช่นนี้พระพุะาคเจ้า ได้ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกเมื่อได้สดับแล้วมาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนนายทั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบือนนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นจึงเกิดฌานรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ต่อแต่นั้นก็เกิดฌานรู้ว่า ชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรมจรรย์คือการต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อละความชั่วและปฏิบัติความดีก็จบแล้วกิดที่จะต้องกระทําเกี่ยวกับการละความชั่วความดีดังกล่าวก็หมดสิ้นไปแล้วคิดเดินโดยทํานองเดียวกันก็ไม่ได้มีอีกต่อไปนี่คือผลที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้อย่างสูงสุดที่ท่านใช้คําว่า สันดิตโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองผลทั้งหลายนั้นให้สังเกตว่าบางอย่างเมื่อเราสัมผัสแล้วก็ไม่สามารถจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เช่นการรับประทานอาหารหรือสิ่งต่างๆเข้าไปจะอธิบายรสให้ประจักษ์ชัดจริงๆอธิบายไม่ได้นอกจากลักษณะที่ละไม้ใกล้เคียงแต่นั้นเองคนที่จะประจักษ์รสนั้นๆได้ อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อตอนเองได้ลิ้มรสของสิ่งเหล่านั้นชั้นใดพ้นโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะในชั้นนั้นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันชั้นนั้นแต่การที่บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะพึงรู้เห็นได้ด้วยตนเองนั้นอาจจะมีในชั้นต่างๆเช่นในชั้นของปริยัต คือการศึกษาการสะดับสับฟังการอ่านตำรับตำราเป็นต้นเมื่อบุคคลได้อ่านไปแล้วได้ศึกษาไปแล้วก็จะพบถึงหลักธรรมที่พระพู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยอนเนกกระประกาศไม่มีธรรมะส่วนใดที่ขัดแย้งกันและแต่ละจุดที่ทรงแสดงเอาไว้ก็อำนวยผลให้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ของบุคคลผู้นั้นแม้ว่าบางครั้งบางคราวข้อที่ทรงแสดงไว้จะมีเพียงจำนวนน้อยก็ตามแต่เมื่อเมื่อบุคคลปรับประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะได้รับผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้ในชั้นนี้เมื่อนามาพินิจพิจารณาธรรมะในส่วนที่ทรงสอนว่าให้กําหนดรู้ถึงสภาพตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้น เช่นทรงสอนให้กำหนดรู้หมวดของสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทั้งหมดตั้งแต่เกิดแก่ตายไปจนถึงความโศกความรำไรรำพันเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องกำหนดรู้ไว้ว่าเป็นธรรมดาจริงๆเพราะก็จริงแล้วบุคคลไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรในส่วนเหล่านั้นได้แต่เมื่อจิตใ จ, จของบุคคลได้กำหนดรู้ไว้ยอมปรับจิตปรับจิตให้ยอมรับถึงสภาพ ความจริงตามธรรมดาแข่งสังขารทั้งหลายแล้วเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่ว่าในรูปที่เราปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามผู้ปฏิบัติสามารถปรับใจให้ยอมรับความจริงได้เช่นเวลาเปลี่ยนแปลงไปในทางปรารถนาก็มองทั้งอีกมุมหนึ่งว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะพลิกกลับไปในด้านที่ไม่น่าปรารถนาก็ได้หรือว่าด้านที่เราปรารถนาเมื่อเกิดขึ้น ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรมากนักเพราะมองได้อีกมุมหนึ่งว่าอาจจะกลับเป็นหน้าปรารถนาก็ได้แต่ทั้งส่วนที่หน้าปรารถนาและไม่หน้าปรารถนานั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีความดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยใจของบุคคลผู้กำหนดพินิจพิจารณาอยู่โดยในยะนี้ก็จะไม่ผูกขึ้นหรือพุ่ลงตามอำนาจของความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หรือในชั้นของการพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นมารอันล่างผรานคุณธรรมความดีหรือเป็นศัตรูที่บุคคลสร้างขึ้นมาภายในจิตสานึกแล้วก็ทำอันตรายแก่จิตใจของบุคคลผู้นั้นเองก็จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นมารก็เป็นมารอย่างจริงๆเช่นว่าขันธมารมารคือเป็นเจขันธ์ ได้แก่ร่างกายชีวิตของบุคคลนี้ในชั้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมแม้แต่นั่งปฏิบัติกรรมฐานบางครั้งแก่ก็เป็นมานเอาจนไม่อาจสงบใจในอารมณ์ที่ต้องการให้สงบได้มีอาการปวดเมื่อยด้วยเวทนาที่เป็นมานเป็นต้นหรือบางครั้งบางคราวร่างกายเกิดทุกพพลภาพเปลี่ยนแปลงไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนก็กลายเป็นอุปสรรค ทั้งในการศึกษาทั้งในการปฏิบัติและแม้การปฏิบัติภารกิจประจาวันก็จะมองเห็นตัวมารที่มีปรากฏอยู่ในร่างกายของตวนว่าตัวนี้พร้อมที่จะแสดงตนออกมาได้เมื่อไรก็ได้ถ้าเหตุปจัจจัยอำนวยให้แกแสดงตัวออกมาได้แต่ว่าการที่แกจะเป็นมารได้จริงๆก็ต่อเมื่อบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเหล่านั้นอย่างเอาจริงเอาจังเกินไปแต่ถ้าหากว่า สามารถปล่อยวางกันได้ในบางครั้งบางคราวโดยปรับจิตให้ยอมรับถึงธรรมดาแห่งสังขารทั้งหลายอย่างกล่าวไว้ในตอนต้นความเป็นมารของสิ่งเหล่านี้ก็จะเบาบางลงไปบ้างเพราะฉะนั้นมารที่เกิดขึ้นอันปรารคขันก็เกิดขึ้นจากจิตสํานึกที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งถึงคราวจะปล่อยวางก็ไม่ยอมปล่อยวางและยังไขว่คว้า ย, ยังยึดถืออยู่ คล้ายๆกับว่าบุคคลไปแบกของเดินมาถึงจุดที่จะต้องปรงของนั้นลงจากบ่าตได้แล้วยังไปยืนแบกของอยู่แล้วจะบ่นว่าหนักก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่ปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่การงานซึ่งตนจะต้องแบกและตนจะต้องบางในโอกาสอันควรนั่นเองสัมมาประการต่อไปคือกิเลสสมานซึ่งดูได้วิเคราะห์ที่จิตใจทของตัวเองก็ได้ ดูพฤติกรรมการกระทําของบุคคลอื่นก็ได้ที่แสดงออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาและแม้แต่เกิดที่ใจตัวเองว่าแต่ละอย่างนั้นด้วนแล้วแต่เป็นมารขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติความดีของตนบางครั้งบางคราวศึกษาสําเนียกประพฤติปฏิบัติความดีมาเป็นเวลานานจะเกิดลุกอานาจแก่อารมณ์โดยแรงกระตุ้นของกิเลส ก็ททำอะไรไปด้วยความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างความดีต่างๆที่เคยกระทำมาต้องเสื่อมเสียไปอย่างที่พูดกันว่าร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีผาดีไม่ได้นั่นเองสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าบุคคลกำหนดมองให้เห็นโทษอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้และในขณะเดียวกันพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมกิเลส ท, ที่บางเกิดขึ้นอย่าให้ถึงกับตก เป็นธาตุของกิเลสอยู่เสมอไปใจก็จะเป็นอิสระแก่ตนได้เพราะกิเลสทั้งมวลนั้นทรงอุปมาไว้ว่าเปรียบประดุจไฟเช่นทรงใช้คําว่าราคคิโทสักคิโมหคิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะซึ่งในรูปแบบของไฟนั้นบุคคลก็ครบความจริงว่าไฟบางครั้งบางโอกาสถ้าหากว่าเราควบคุมแก่ได้เราก็ใช้ประโยชน์แก่ได้เหมือนกัน พยายามใดที่เราคุมแกไม่ได้ไฟก็ลุกไหม้เผาผลาญทำลายล้างสิ่งต่างๆจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันาสรรบใดที่ยังละกิเลสไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในชั้นของการสำรวมระวังในการบันเทาในการยับยัง้งในการปิดกั้นกระแสะแห่งอารมณ์เอาไว้หรืออย่างน้อยที่สุดก็อย่าถึงทาอะไรไปตามอานาจของกิเลสแต่ถ้าหากว่าไม่อาจละกิเลสได้ ก็ใช้กิเลสเหล่านั้นในปริมาณที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรก็สามารถที่จะหาความสุขในระดับการคลองเรือนหรือการดำรงชีวิตทั่ ว, วไปได้และประการทั่วไปก็คือพวกอภิสังขารมานซึ่งทรงมุ่งหมายเอาสมบับสามัญนนชนทั่วไปก็คือเรื่องของบา ป, ปรกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว ตัวบาปประการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยอกุศรลเจตนาประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นกระตุ้นเนตือ น, น, น, น, น, นให้บุคคลกระทำนั้นสแสดงออกมาที่เห็นได้ชัดก็คือวิปฏิสารความเดือดร้อนใจบางครั้งบางคราวแม้แต่ว่าความชั่วความผิดเหล่านั้นคนอื่นจะไม่ประจักษ์ชัดแต่ว่าตัวเองก็ประจักษ์ชัดอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่านาถิโลเกระโคนามะความลับไม่มีในโลก ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าบาปประกรรเหล่านั้นเราเป็นคนรู้เป็นคนเห็นบางครั้งเมื่อนึกถึงการกระทาชั่วทาผิดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยความประมาทพลาดพรัง้งก็มีความวิปฏิสารเดือดร้อนใจเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองอย่างที่พระนางมาริกาเทวีกันเคยพลั้งพลาดขึ้นมาคราวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมากในสายตาของสามัญชน แต่ว่าในความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของพระอริยะแล้วท่านเกิดวิปฏิสารใจอย่างแรงโดยท่านมีความรู้สึกว่าการกระทําเหล่านั้นคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นก็จริงแต่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านเห็นและเราเองก็ได้เห็นการกระทําบกพร่องเหล่านั้นทําให้เกิดวิปฏิสารใจอย่างแรงแม้จะตายก็ไม่อาจจะสงบจิตใจลงไปได้ข้อนี้จะเห็นได้ว่าตัวบาปรกรรมแต่ละอย่างนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นมารที่คอยขัดขวางสร้างความเศร้าหมองให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนบางครั้งเวลาทำความส ง, งบใจพอใจเริ่มส ง, งบคล้ายๆกับว่าผ้าที่กำลังซักเริ่มจะขาวสะอาดดีมีจุดด่างจุดดมเล็กๆน้อยก็ปรากฏชัดแก่สายตาของบุคคลัได้บาปอากุศลที่บุคคลกระทาไว้และยังตกค้างอยู่ภายในจิตเวลาจิตเกิดความส ง, งบขึ้นมา จิตก็จะไปนเหนี่ยวนึกถึงบาปรกรรมเหล่านั้นทําให้ความสงบไม่เกิดขึ้นบางท่านมีรอยบาปที่สลักอยู่ภายในใจอย่างแรงและมีความเดือดร้อนกังวลด้วยบาปเหล่านั้นมากต้องใช้เวลาลบรอยบาปเพียงรอยเดียวถึง9ปีสิปีก็ไม่อาจที่จะลบให้หายไปได้เลยก็กลายเป็นมานที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในด้านอือ่นแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงพร่ำสอนนักสอนหนา ให้บุคคลสนัดเอาไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะหยากผลที่ตกลงมาแต่ทีละหยาสามารถทำผ่าชนะซึ่งรองรับให้เต็มได้ฉชนใดเมื่อบุคคลสั่งสมบาปไว้บ่อยในที่สุดจิตใจก็จะเต็มด้วยบาปเช่นเดียวกันฉะนั้นแต่นั้นบาปทุกรูปแบบพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละโดยส่วนเดียวแต่บุญกุแต่มาอีกประการหนึ่งนั้น เป็นมารชั้นของมรรคผล น, ผนิพพานซึ่งไม่มีปัญหาในระดับสามั ญ, ญชนทั่วไปคือพวกบุญและพวกฌานสมาบัติเป็นมารที่ขัดขวางการบรรลุอรหัตตคุณเท่านั้นเองมารที่จะต้องระมัดระวังมากก็คือทุจริตที่บุคคลกระทำลงไปทางกายทางวาจาและทางใจเพราะทุจริตที่กระทำไปนั้นไม่ใช่ว่าทําแล้วก็แล้วกันไปแต่ยังมีรอย ปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นรอยบาปที่ตรึงจิตบุคคลเอาไว้ถ้าหากว่ารอยบาปนั้นรุนแรงแม้เคยทำมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีรอยบาปเหล่านั้นอยู่และไม่อาจที่จะลบหายไปได้เรื่องบาปจึงทรงสอนให้สำรวมระวังให้พยายามละไปโดยส่วนเดียวดังกล่าวประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องของมัจจุมานได้แก่ความตาย ที่มาตัดรอนชีวิตของบุคคลความตายนั้นเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติอย่างที่สุดกันแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นคนบางคนมีความพร้อมที่จะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดผลมีความสาเร็จเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นได้อย่างมหาศาลแต่ถูกมารมาตัดรอนชีวิตเสียก่อนข้อนี้ในแง่ของ การปฏิบัติธรรมะแล้วถือว่าเป็นความเสื่อมอย่างดุนแรงอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนสัจสู้ใหม่ๆทรงปรารภที่จะสอนธรรมะซึ่งพระองค์ได้สัสู้มาแก่ท่านอาราดาบทและอุตกาดาบทอดีตอาจารย์ของพระองค์แต่เมื่อทรงตรวจดูด้วยพยานทราบว่าอาจารย์ท่านแรกได้สิ้นชีวิตไปก่อนนั้นเจ็ดวันอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้สิ้นชีวิตไปเมื่อคือนก่อนนั่นเอง แล้วก็ทรงเปล่งพระอุทานว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นเสื่อมสิ้นอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าท่านได้บรรลุอรูปฌานมีพรหมโลกเป็นเบื้องหน้าก็จริงแต่ในแง่ของการบรรลุมรรคผลแล้วพรหมโลกนั้นถือว่าเป็นการพักสังสารวัฏไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองและยิ่งไปกว่านั้นยังปิดโอกาส ไม่ให้ตนได้อุบัติบังเกิดในมนุ์โลกหรือเทวโลกมาพบกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์ซึ่งจะเกิดในอนาคตได้ในแง่ของธรรมะชั้นสูงจึงถือว่าเป็นความเสื่อมหรือความพินาศอย่างใหญ่มาจุมานี้ก็มาตัดรอนชีวิตของบุคคลบางคนซึ่งมักพูดกันว่ายังไม่น่าจะตายหรือไม่ควรตายเพราะท่านถ้าหากว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ทาประโยชน์ได้ยิ่งใหญ่ แต่ความตายก็มาตัดรอนได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่บุคคลเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจว่าสิ่งหรือธรรมะแต่ละข้อที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นมีผลอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าในส่วนที่จะต้องกําหนดรู้หรือส่วนที่จะต้องละก็าตามและมานอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาค้างอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นมากก็คือเรื่องของเทวปุตระมาน ได้แก่มารที่เป็นตัวบุคคลเป็นสิ่งที่มีชีวิตโดยทั่วๆไปในแง่ทั่วๆไปนั้นก็หมายถึงคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่มีนิสัยอันด่าพานรังแกเบียดเบียนบุคคลอื่นใ้เดือดร้อนแต่ในแง่ของการปฏิบัติธรรมะแล้วมารเหล่านี้เป็นอมนุษย์ประเภทหนึ่งซึ่งมุ่งมุ่งขัดขวางความดีของบุคคลเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปโจทย์มาก่อนการจัดสรุป ซึ่งคนส่วนมากในปัจจุบันนัคิดในแง่ว่ามานที่พระพุทธเจ้าทรงประจนตอนก่อนจัสรูนั้นเป็นเพียงกิเลสเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเรามองให้ตลอดลงไปในเรื่องที่ทรงแสดงหลังจากจัสรุ้ก็จะพบว่าแม้ในสั ป, ปดาห์ที่6หลังจากพระพุทธเจ้าจัสรูไปแล้วไปประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นอัจาปาลนิโครธตก็ยังมีเทวุตตมารเข้าไปประจนพระองค์ ทั้งตัวพญามารและธิดาของพญามารและแม้ในที่ต่างๆตลอดถึงก่อนจะเสด็จดับขันทปริิญพานก็มีมานไปรบกวนพระองค์มารในที่นี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ขันและไม่ใช่อภิสังขารทั้งไม่ใช่มัจจุราชแต่ว่าเป็นเทวปุตตมานดังที่กล่าวนั้นเรื่องเทวปุตตมารถึงแม้ว่าบุคคลจะไม่สามารถประจักได้ด้วยใจเพราะว่า รดับใดที่ปฏิบัติไปกิเลสยังไม่สงบสงับและมีค่าวว่าจะบรรลุมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไปเทพุตรมารจะไม่ปรากฏเลยเทพุตรมารจะปรากฏต่อเมื่อบุคคลปฏิบัติไปโดยลําดับและจวนจะบรรลุมรรคผลเท่านั้นดังนั้นเมื่อยังไม่ถึงชั้นนี้ก็ต้องยอมรับตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และในชั้นของการปฏิบัติธรรมไม่ว่าในชั้นอะไรก็ตาม ในชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งมีสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นโทษของการกระทำไปทาอะไรไปตามอำนาจของกิเลสก็พยายามที่จะชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนโนีด้วยการให้ชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคำสั์คาจริงอย่างที่ทรงสอนเอาไว้ เมื่อบุคคลสามารถชนะต่ออารมณ์ต่อบุคคลเหล่านั้นได้ผลคือความสงบเย็นก็จะประจักษ์แก่ใจของบุคคลว่าโอวาทานุสาสนีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงไว้นั้นมีผลประเสริฐอย่างจริงๆเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเมื่อเขาไม่ดีมาเราไม่ดีตอบหรือเขาโกรธมาเราโกรธตอบหรือเขาสนีมาเราสนีตอบเขาหลอกแหละมาเราแหลมหลอกแหละตอบไปเนี่ย แต่ละอย่างแม้เพียงจุดหลอกแหละคนอื่นเขาหลอแหละเราหลอกแหละพูดกันสักเจ็วันไม่ได้เรื่องอะไรเลยแต่แต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งเขาพูดหลอแหละเราพูดจริงไปเรื่อยอย่างน้อยก็มีคนพูดจริงอยู่คนหนึ่งพูดหลอแหละอยู่คนหนึ่งแต่เขาจะหลอกแหละอยู่ไม่ได้นานในเมื่อเราพูดจริงอยู่บ่อยๆในที่สุดเขาอาจจะหลอแหละกับคนอื่นแต่กับเราเขาจะไม่กล้าพูดหลอกแหละหรือว่าคนที่เขาโกรธก็ทํานองเดียวกัน ถ้าหากว่าเขาโกรธมาเราโกรธไปเขาด่ามาเราด่าไปแล้วเมื่อไร่เรื่องราวทั้งหลายจะยุติเพราะว่าปริมาณของความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อโกรธมากไปไม่ใช่ว่าออกมาเฉพาะปากเท่านั้นมือเท้าอวัยวะต่างๆก็อาจจะออกมาและเป็นทางของเวรของภัยที่จะบังเกิดขึ้นแต่นั้นวิธีของพระพุทธเจ้าจึงวิธีสงบเวรสงบภัยได้อย่างแท้จริงเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดา ในกรณีของว่าพื้นบ้านหรือว่าเสื้อผ้าที่สกปรกจําเป็นจะต้องชําระล้างด้วยสิ่งที่สะอาดถ้าหากว่าขืนไปให้สกปรกมากขึ้นโอกาสที่ผ้านั้นจะสะอาดมีไม่ได้กิเลสจึงเปรียบเหมือนทุลีเปรียบเหมือนฝุน่นเปรียบเหมือนละอองเปรียบเหมือนสิ่งที่สกปรกธามะนั้นเปรียบเหมือนน้าหรือเปรียบเหมือนผงซักฟอกต่างๆมีหน้าที่ในการขจัดตามลักษณะของสันเหลขธรรม ครรมะเป็นเครื่องขัดเกลาวดังที่ได้กล่าวมาแล้ววิธีการต่อสู้กับบุคคลหรืออารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆนั้นจึงต้องอาศัยความดีเข้าไปแก้ความดีเข้าไปบำบัดขจัดแล้วก็สามารถยุติปัญหาที่เลวร้ายต่างๆลงไปได้ในชั้นของการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปอย่างว่า มีอารมณ์กำหนดระลึกรู้ถึงความจริงแห่งธรรมชาติธรรมดาของสังขารทั้งหลายความเกิดความแก่ความตายความพลัดพรากหรือการที่บุคคลจะต้องประสบกับผลต่างๆเพราะการรมของตนเวลาประสบกับอารมณ์เช่นนั้นจว่าการพลรัดพรากมาเกิดขึ้นแก่ตนทำใจยอมรับว่าธรรมดามีความตายเกิดขึ้นสร้างความรู้สึกว่า สิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาก็แตกดับไปแล้วใจก็จะสงบจากความโศกเศร้าความร่ําไรรำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจไปได้และสามารถใช้ช่วงเวลาซึ่งคนที่ไม่มีปัญญาประจักความจริงมัวร้องให้มัวเศร้าโศกอยู่นั้นประกอบภารกิจการงานด้วยความไม่ประมาทได้และอาจจะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือน้อมนึกขึ้นมาได้ว่าญาติของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราเขาตายไปแล้ว และความตายนั้นจะต้องมาถึงเราไม่วันใดก็วันหนึ่งจะทำให้รีบเร่งประพฤติปฏิบัติความดีอย่างคล้ายๆกับบุคคลที่อยู่ภายในเรือนซึ่งกาลังถูกไฟไหม้อะไรพอจะหยิบฉวยออกมาได้จากเรือนซึ่งถูกไฟไหม้ก็ต้องรีบเร่งหยิบฉวยออกมาความสำนึกในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องอาศัยประหยัดคือการศึกษาและเรียนให้ทราบความจริงของชีวิตในแง่มุมต่างๆ และจะต้องนำมาพินิษพิจารณาจนประจักษ์แก่ใจของตนเองดังกล่าวแล้วสามารถปรับจิตให้รู้เท่าทันและยอมรับถึงความจริงต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโลกในชีวิตไม่ว่าแก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นก็ตามมองเห็นเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายและจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตของตนโอกาสที่มือเท้าวยวะต่าง สามารถกระทำความดีได้ก็รีบเร่งกระทำไปอย่างความสำนึกของพระเทระสองท่านที่ไม่ยอมบวชตอนแก่ ท, ท, ทั้งๆที่ญาติพี่น้องอ้อนบอนว่าขอให้บวชตอนแก่คือพระจักกุบาลและพระมหาการแต่ละท่านก็เป็นผู้มีมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติมากโดยทนให้เหตุผลว่าเวลาแก่เท่าลงแล้วแม้มือเท้าของเราเองเราก็บังคับไม่ได้ จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไรและในที่สุดท่านกะบวดความตื่นตัวในลักษณะนี้บุคคลสามารถนำไปใช้ได้ในการปฏิบัติความดีในอารมณ์ในขณะนั้นๆไม่ว่าจะในชั้นศีลในชั้นสมาธิหรือในการใช้ปัญญาพิจารณาให้ยอมรับความจริงแห่งสังขารทั้งหลายก็ตามอย่างที่พระพายะทารุจิรุยะ ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์รับสั่งว่าให้รอก่อนค่อยแสดงธรรมเพราะขณะนี้พระองค์กำลังบินถบาตอยู่ท่านก็กราบทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตทั้งของข้าพระองค์และของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นมเมื่อไหรเมื่อโอกาสมาถึงข้าก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมดังนั้นในชั้นของการกระทำความเพียรพยายามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงใช้คําว่า ให้รีบเปร่งกระทําในขณะนั้นนั้นและให้รีบทําโดยด่วนเพราะอะไรเพราะเมื่อกุศลเจตนาในการกระทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั้นจิตใจของบุคคลยังมีกิเลสยังมีมานที่คอยขัดขวางอยู่อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อกุศลลเจตนาจะกระทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบังเกิดขึ้นนั้นอกุศลลเจตนามีลักษณะต่างๆจะบังเกิดขึ้นซ้ําซ้อนภายในจิตใจของตนถ้าหากว่า บุคคลไม่ฉกสวยโอกาสทำความดีสร้างความสงบใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงสังขารธรรมทั้งหลายแล้วจิตก็จะถูกดึงเข้าไปสู่คันรองแห่งกิเลสถูกกิเลสชักนำไปบางครั้งก็ผ่านการเวลาไปเป็นนั้นมากดังนั้นเมื่อพระพุะาคเจ้าทรงแสดงหลักการปฏิบัติของบุคคลที่เรียกว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงราตีเดียวก็เจริญ ได้รับสั่งไว้ในตอนหนึ่งว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทําเสียในวันนี้ทีเดียวเพราะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราทั้งหลายจะผัดเพี้ยนต่อมัจยุราชผู้เมีมีเ ส, เสนาใหญ่นั้นไม่ได้เลยดังนี้ดังนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเมื่อบุคคลได้ปฏิญาณเป็นศาสนิกในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ต้องพยายามฉกสวยโอกาสศึกษาในด้านของปริญญาต์ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการสอบถามสนทนาเป็นต้นแล้วน้อมนำสิ่งเหล่านั้นมาพินิษ์พิจารณาอะไรสามารถที่จะเริ่มต้นลงมือประพฤติปฏิบัติได้แม้เพียงเล็กเล็กน้อยน้อยก็ตามก็ให้รีบเร่งประกอบกระทาบำเพ็ญในเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นผู้มีสติระลึกรู้และมีปัญญาเห็นไปจากในอารมณ์ที่มาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าย่อมช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติตนให้เกิดผลในทางที่จะเป็นความสงบเป็นความรอบรู้ภายในจิตใจได้โดยลำดับและเมื่อกระทำำําบําเพ็ญอยู่โดยนัยนี้ผลต่างๆทั้งในชั้นของการศึกษาในการพินิจพิจารณา และในการประพฤติปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะประจักษ์ได้ด้วยใจของตนเองตามหลักธรรมคุณที่ว่าสันติโกคืออันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองดังนี้ต่อเทนี้ไปข็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป